เพราะอะไรพระพุทธศาสนาควรจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างสูงมานานแล้วแต่ไม่เป็นนักศึกษาส่วนมากที่มองไม่เห็นว่าจะเอาพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไรก็เพราะมัวแต่ไปคิดในแง่ที่ขัดกับความรู้สึกหรือขัดกับอาชีพของคนทั่วไปจนกระทั่งในที่สุดลความเห็นกันว่าถ้าหากคนไหนคิดจะไปทางศาสนาจริงๆแล้ว ก็ต้องสละโลกและถ้าหากคนไหนคิดจะอยู่ในทางโลกก็อย่าไปสนใจในเรื่องศาสนาให้มากนักเพราะเขาเห็นว่าการดำเนินชีวิตในทางโลกกับการดำเนินชีวิตในทางศาสนาไปด้วยกันไม่ได้นี่คือความเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งที่สุดและเป็นความเข้าใจผิดที่กรอบงมแพร่หลายในหมู่คนไทยทั่วไปจนกระทั่งถือเป็นประเพณีว่าคนเราควรจะสนใจศาสนาก็ต่อเมื่อแก่ หรือเมื่อหมดภาระในทางโลกแล้วเท่านั้นดยหารู้ไม่ว่าวิชาทางศาสนาเป็นวิชาที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งคนที่จะสามารถศึกษาให้เข้าใจและได้ผลจริงๆนั้นจะต้องมีเวลาอย่างเพียงพอและจะต้องอยู่ในวัยที่สมองยังไม่เสื่อมซึ่งสามารถจะจดจำเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีถ้ารอให้แก่จนสมองเสื่อมแล้วก็เป็นการยากมาก ที่จะศึกษาให้เข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเว็นไว้แต่จะมีพื้นฐานในทางศาสนามาดีตั้งแต่เล็กๆเท่านั้นซึ่งถึงแม้แก่แล้วก็อาจจะศึกษาได้ดีแต่ถ้าพื้นฐานในทางศาสนาไม่ดีมาก่อนเพิ่งจะมาเริ่มศึกษาในตอนอายุมากนั้นไม่มีทางที่จะศึกษาได้ผลดีเลยอันหนึ่ง จากการศึกษาทางพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยการฝึกสมาธิประกอบด้วยจึงจะสามารถเข้าใจได้ดีและเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นถ้าหากรอให้มีอายุมากแล้วจึงจะเริ่มมาศึกษาทางศาสนาก็เป็นการยากมากที่จะสามารถฝึกสมาธิให้ได้ผลดีเพราะโดยธรรมดาผู้ที่จะฝึกสมาธิได้ดีจะต้องไม่มีความกดดันในทางอารมณ์มาก จะต้องไม่มีความเป็นห่วงหรือวิตกกังวลมากและสมองก็จะต้องอยู่ในวัยที่สามารถจะรับของใหม่ๆได้ดีแต่คนที่มีอายุมากนั้นเกือบจะทุกคนมีความกดดันทางอารมณ์สูงหรือไม่ก็มีอารมณ์ค้างมากเป็นคนขี้วิตกกังวลและเป็นห่วงอะไรต่างๆมากมายพื้นจิตใจก็มักจะเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านต่างๆ วิบากของความไม่สบายใจต่างๆที่สะสมอยู่ในสันดานก็มีมากสมองก็เสื่อมมักจะจำได้แต่เรื่องเก่าๆและก็ติดอยู่ในความคิดเก่าๆถอนออกได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากจึงฝึกสมาธิไม่เคยได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่จะมองเห็นว่า พระพุทธศาสนาสามารถช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีก็ต่อเมื่อคนนั้นได้รับประโยชน์สอย่างจากทางพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ในเมื่อบุคคลส่วนมากที่เป็นตัวจักสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองนั้นรู้จากพระพุทธศาสนาแต่ในรูปของประเพณีจะเข้าใจหลักธรรมบ้างก็ไม่ค่อยจะลึกซึง้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประโยชน์สาอย่างที่กล่าวมาแล้ว ยังไม่เคยเกิดขึ้นแก่ตัวเองฉะนั้นในเมื่อคนเหล่านี้เป็นตัวจากสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและเป็นคนที่มีอิทธิพลในวงงานต่างๆคิดไม่ออกและมองไม่เห็นว่าจะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไรแล้วเราจะไปหวังให้เด็กๆหรือคนหนุ่มสาวสนใจกับทางพระพุทธศาสนาได้อย่างไรและอีกประการหนึ่งจากความประพฤติของคนเหล่านี้ ซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่าแม้แต่เขาเองก็ยังเลิกประพฤติสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็เลยสรุปเอาเองว่าคนอื่นก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุนี้เขาจึงไม่สนใจที่จะนำเอาวิธีทางพระพุทธศา ส, สนามาพัฒนาบ้านเมืองสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ไม่คิดจะนำพระพุทธศา ส, สนามาพัฒนาบ้านเมืองก็คือคนทั้งหลายมักคิดกันว่า ถึงจะทำอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนเราถือศีลเหมือนกันทั้งหมดทุกคนหรือให้ประพึติตามหลักศาสนาเหมือนกันหมดทุกคนเช่นจะให้คนเราเลิกฆ่าสัตว์หรือเลิกโกหกเลิกเอาเปรียบกันทั้งหมดทุกคนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงคิดว่าป่วยการที่จะนำเอาวิธีทางพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาบ้านเมือง เพราะหลักการอันใดในเมื่อคนส่วนมากปฏิบัติไม่ได้หลักการอันนั้นก็ไม่ควรจะนำมาใช้กับคนส่วนใหญ่